คุณอนุคูณเชิญเป็นไงภาวนาเป็นไงบังคับไหมใครรู้ทันนะสและพอ ง, งานหนักหนักยุ่งกับโลกเยอะๆนานๆซ้อมทีพอมาซ้อมมวบังคับก็รู้อย่างที่เขาเป็นก็ใช้ไดนะ้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่ใช่ตัวเรายามดูไปตรงเนี้ย อย่างเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนเห็นคนอื่นเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นกิเลสโลปโกรดหลงอะไรเหมือนเห็นคนอื่นเป็นโกรดใจก็เป็นคนดูเฉยๆเนี่ยไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปจะเห็นเลยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่ตัวเราไหนเห็นตรงนี้ก็ได้ธรรมะ ไม่ยากหรอกจะต้องใช้เวลาดูมันต้องใช้ความต่อเนื่องไปก่อนไปเมื่อเปดือนสิงหามไปที่ป่าละอูหลวงพ่อวัดโน้นก็ถามบอกคุณสอนคารวะเยอะคารวาะมีจุดอ่อนที่ไหนจุดอ่อนที่สําคัญของคารวาะเรียนท่านบอกคารวาะมีจุดอ่อนนี่คือขาดความต่อเนื่องรู้หลักปฏิบัติแล้วนะนะ หลายคนทําได้แต่ไม่ต่อเนื่องทําบ้างหยุดบ้างทําบ้างหยุดบ้างมันเลยไม่แจ้งทันทีเวลาเราลงมือทํามันก็รู้สึกเจริญขึ้นเต่็แล้วพอไม่ต่อเนื่องหยุดทํามันก็เสื่อมเยถ้าเราหยุดทําแล้วมันเสื่อมมันก็เลยไม่เห็นใจรักจริงๆถ้าหากเราทําเหมือนกันทุกวันนะภาคเพียรทุกวันเต็มที่ทุกวันก็เจริญบ้างเสื่อมบ้างมจะเห็นเลยว่ามันบังคับไม่ได้ไม่คงที่ นะไม่ใช่ว่าปฏิบัติก็จเจริญขี้เกียจแล้วเสื่อมนี่ยถ้าคิดว่าเสื่อมเพราะขี้เกียจนะไม่ใช่เสื่อมเพาเห็นใจรักนั้นการปฏิบัตินะจําเป็นมากเลยความต่อเนื่องทําทุกวันสม่ําเสมอตอนหลวงพ่อเป็นคารวาสฝึกตั้งแต่ตื่นเลยนะตื่นนอนมาก็เริ่มฝึกเลยจนนอนหลับทุกวันยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติมันไม่ยาก ไม่ใช้เวลาเยอะแต่ถ้าทำบ้างหยุดบ้างนะกี่ชาติก็ไม่ได้หรอกขี้เกียจเรื่องใหญ่เลยสัตว์เอาไว้ก่อนนะลืมไปนะจะตายวันไหนยังไม่รู้เลยขอไว้ก่อนเพราะว่าคงอีกนานกว่าจะตายมาถึงใกล้จะตายจริงคราวนี้ลุกลี้ลุกหลนแล้วครูจ้าสอนลงท้ายความไม่ประมาทอันเดียว ไม่ประมาทนั้นเก็บในยะไว้เยอะไม่ประมาทยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่่อยังแข็งแรงอยู่ไม่เจ็บไข้ตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่มันดีประมาณอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ความทุกข์มาเมื่อไหร่ก็ได้คําว่าประมาทอีกอันหนึ่งก็คือควาว่าขาดสตินั่นเองเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นประมาทเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่ประมาท การมีสติก็คือได้ปฏิบัติอ่ะนะรวมความก็คือถ้าได้ปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่าไม่ประมาทถ้าไม่ปฏิบัติก็เรียกประมาทนะ น, นี่พวกเราชับผลัดนะผัดไปเรื่อยๆแต่หลวงพ่อหัดไม่ผลัดนะดูลูกเดียวเลยทำไมไปดูลูกเดียวได้ขยันดูได้ยังไงตอนที่ขยันดูเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองมันน่าสนใจ พอมันมีฉันทะมันรู้สึกน่าสนใจจิตใจของเราเนี่ยทาไมแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำไมไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งทำไมเราบังคับมันไม่ได้สักทีรู้สึกสนใจที่จะเรียนรู้จิตตนเองความสนใจที่จะเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยมีภาษาภาษาแขกภาษาบาลีเรียกว่าฉันทะนั่นเองมีฉันทะ มันพอใจมันสนใจที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจมันมีฉันทะแล้วมันก็ขยันดูนะไม่เหมือนอย่างพวกเราขาดฉันทะในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราขาดฉันทะเราก็ขี้เกียจ ด, ดูนานๆดูทีหนึ่ยนะจะมาหาครูบาอาจารย์ก็ค่อยดูทีนึงอนะไรมันก็ไม่มีวิริยะจิตใจไม่ตั้งมัน่นจิตใจไม่จดจอ่อจิตใจไม่เคล้าเคลียอยู่กับการศึกษากายศึกษาใจตนเองขาดจิตตะขาดวิมังตา ความสำเร็จก็เกิดขึ้นไม่ได้งั้นเราต้องรักที่จะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองอย่างหลวงพ่อถนัดที่จะรู้จิตตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นแต่เดิมหัดกับทางท่านพ่อรีทำสมถะทำกำหนดลมหายใจแล้วก็ได้ยินครูบาอาจารย์พูดอยู่เหมือนกันเรื่องพิจารณากายแต่จิตมันไม่ไปจิตมันไม่คุ้นเคย จนอายุ29ไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตรู้สึกน่าสนใจทำไมจิตใจของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยดังนั้นการตามรู้ตามดูเนี่ยตามรู้ตามดูด้วยความสนใจไม่ใช่ตามรู้ตามดูด้วยความหวังว่าเมื่อไหร่จะบรรลุมรรคผลสักทีตอนหัดทำสมาธิหัดทาสมาธิอะไรเนี่ยนะคิดอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีพอได้ยินคําว่าดูจิตรู้สึกมีฉันทะสนใจไม่คิดถึงผลแะ อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต้องการรู้ว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองไม่ได้สนใจว่ารู้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาถ้าการปฏิบัติเนี่ยถ้าตัณหาทําด้วยตัณหาเนี่ยนะขี้เกียจทําเหตุขี้เกียจปฏิบัติแต่อยากได้ผลฉันทะนะขยันปฏิบัติสนใจปฏิบัติไม่คํานึงถึงผลถ้าเรามีฉันทะเราขยันคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้สึกน่าสนใจทําไมเราไม่สนใจ เราสนใจแต่สิ่งอื่นทําไมเราไม่สนใจตัวเราเองผู้เจ้าเคยสอนกลุ่มพัทธวัคคีสามสิบคนเที่ยวไปตามผู้หญิงท่าบอกทําไมไม่หาตัวเองไม่ไปหาผู้หญิงบอกให้มาศึกษาตัวเองท่านพัทธวัคคีก็มาศึกษาตัวเองเราก็ศึกษาตัวเราเองจนเราเข้าใจความจริงของตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจ รู้กายไปรู้ใจไปดูซิจริงๆเขาเป็นยังไงร่างกายเนี่ยจริงๆมันเป็นทุกขนะ์นะแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเนี่ยเห็นทุกข์ง่ายเห็นอนัตตาง่ายถ้าดูจิตจะเห็นอนิจจังง่ายมันไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนทั้งวันจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้เราเรียนไปเรื่อยอยันเห็นความจริงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์นะเป็นใจรักถ้าเราไม่คอยรู้กายไม่รู้ใจเราไม่มีวันที่จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์พวกเราหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยไม่มีใครเราเห็นว่ากายกับใจเป็นทุกข์เราจะเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างนะครับ ร่างกายนี้ทุกบ้างสุกบ้างจิตใจทุกบ้างสุขบ้างเรียกว่าเรารู้อริยสัจไม่ตรงนะถ้าตรงความจริงเราจะเห็นมันทุกข์ล้วนๆเนกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ถึงจะปล่อยวางได้ถ้ายังเข้าใจว่าสุขบ้างทุกบ้างมันก็เที่ยวหาความสุขเที่ยวหนี้ความทุกข์เรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุดหรอกก็จะปลุงแต่งไปเรื่อยเลยวิธีหาความสุขก็เที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจบ้างหลีกหนีอารมณ์บ้าง รักษ า, าจิตให้มันนิ่งๆไว้บ้างนะมีหลายวิธีรวมแล้วสามแบบกนะ็คือปุญญาที่สังขานะปุญญาที่สังขานะเนนชาที่สังขานะั่นเองเป็นวิธีดิ้นรนตรงจิตใจที่จะหาความสุขที่จะหนีความทุกขแต่ถ้าเราม่มีสติเราคอยรู้กายอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยพวกเรากําลังนั่งอยู่เนะทับเทียบบ้างนั่งขัดสมาธิบ้างนะนั่งเก้าอี้บ้างนะนั่งไปให้มันสบาย ประเดียวเดียวความไม่สบายก็เกิดขึ้นแล้วมันเมื่อยรู้สึกไหมนั่งแล้วก็มันเมื่อยก็ต้องขยับขยับเพื่ออะไรขยับเพื่อหนีความทุกข์นั่นเองเพื่อร่างกายเรานี้ต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อหนีความทุกข์ต้องหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อหนีความทุกข์ต้องเปลี่ยนกิริยาบุเพื่อจะหนีความทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยทุกตลอดวันทุกตลอดเวลาไม่ใช่นานๆทุกทีหนึ่งป่วยไข้ถึงจะทุกทีหนึ่งไม่ใช่ เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดนานๆก็เจ็บป่วยหนักๆทีหนึ่งแต่ความทุกขนี่เบียดเบียนอยู่ทั้งวันเนี่ยถ้าเรามีสติรู้อยู่ที่กายเราจะเห็นในะกายนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ตัวสุขหรอกเนี่ยชัดจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์กายใจเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บางสุขบ้า ง, างนะถ้าเห็นอย่างนี้ไม่บรรลุมรรคผล เวลาจะตายเราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์กลังจะตายไม่ใช่ตัวดีจะตายมันจะไม่เสียดายนะจะไม่อะไรเอาวรไม่ทุรนทุรายเพราะนั้จะตายด้วยความสงบสุขได้คนที่ตายด้วยความสงบสุขก็จะไปสู่สุขตินะมีที่ไปที่ที่ดีตายด้วยความทุรนทุรายก็ไปไม่ดีนะั้นถ้าใครมาดูจิตใจเห็นจิตใจไม่เที่ยงเนะช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันเลย แต่ละวันแต่ละวันจิตใจของเราก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ละขณะแต่ละขณะจิตใจก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่หูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนห้ามมันไม่ได้หรอกมันเปลี ia, ่ยนเช่นเราอยู่ดีๆนั่งเฉยๆอยู่ๆก็นึกถึง ing, คนคนหนึ่งขึ้นมาหน้าเขาโผล่ขึ้นมาไอ้นี่ศัตรูเก่าของเราโกรธกันมาสิปีแล้วความโกรธอันใหม่ก็เกิดขึ้นเลยโมโหมันขึ้นมาอีกแล้ว ทั้งๆ ท, ที่เรื่องผ่านมานานแล้ว Laur, ใจกระทบความคิดความรู้สึกยังเปลี่ยนเลยนั่งอยู่คนเดียวนะได้ยินเสียงเพลงเพราะๆแหมมันสบายใจใหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนได้ยินคนมาด่าอยู่หน้าบ้านความรู้สึกก็เปลี่ยนมองเห็นเด็กสมมติเห็นเด็กมาสองคนคนหนึ่งลูกเราความรู้สึกก็เปลี่ย น, ยนพอเห็นลูกเรานะรู้สึกมันน่ารักเห็นเด็กอีกคนหนึ่งหน้าตาเขาดีดีกว่าลูกเราอีกแต่มันลูกศัตรูเรา รู้สึกเด็กคนนี้มันน่ากเกลยียดถึงมันจะสวยแต่มันก็คงจะนิสัยไม่ดีเหมือนแม่มันอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนให้คอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นเลยจิตใจของเราไม่เที่ยงจิตใจของเราบังคับไม่ได้ถ้าคนไหนเห็นว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะล่ความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงได้จะได้พระโสดาบันลํนาพังละความเห็นผิดว่ากายไม่ใช่ตัวเรายังไม่ได้โสดาบันนะ พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนศาสนาอื่นเลยเนะี่ยปุถุชนที่ไม่ได้สดับเขาก็สามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่มีใครเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะีมีแต่ธรรมะในธรรมวินัยในศาสนานี้เท่านั้นถึงจะสอนจนเราปฏิบัติแล้วเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราได้บันใดที่จิตไม่ใช่เรานะจะหาความเป็นตัวเราที่ไหนไม่ได้อีกเลยนะอะไรก็ไม่เป็นตัวเราเนียวแน่นเท่ากับจิต งั้นถ้าคนไหนฝึกปฏิบัติเบื้องต้นนะรู้กายได้ก็รู้กายไปถ้ารู้กายถูกต้องก็จะรู้จิตได้นะคนไหนดูจิตได้ก็ดูจิตเข้าไปเลยนะก็จะเห็นเลยวันหนึ่งเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราหนะลวงปู่มั่นเคยสอนหลวงปู่สุวัสดิ์เียเล่านะบอกว่าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยนะรู้กายได้ก็รู้กายรู้จิตได้ก็ให้รู้จิตเอา นะถ้ารู้กายไม่ได้ก็รู้จิตรู้จิตไม่ได้ก็ให้รู้กายนะรู้กายเพื่อจะรู้จิตรู้จิตเพื่อเพื่อให้เข้าใจความเป็นจริงให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะกิเลสเกิดที่จิตทุกเกิดที่จิตมรรคผลนิพพานก็เกิดที่จิตเหมือนกันไม่ไนดะ้เกิดที่มือที่เท้าที่ท้องอะไรหรอกนั้นะมน เ, ปนเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติสาหรับบางคน เนี่ยลักปฏิบัติจริงๆมีเท่านี้เองนะเราจะเรียนรู้จนเห็นว่ากายกับจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแท้จริงแล้วเป็นเหมือนฝุ่นละองเล็กๆของจักรวาลของโลกตัวคนเราเล็กนิดเดียวเทียบกับภูเขาก็ยังตัวเล็กนิดเดียวนะแต่เราก็สําคัญมั่นหมายว่าตัวเราใหญ่โตอีโก้เยอ ะ, ะตัวใหญ่เนี่ยถ้ามารู้กายมารู้ใจวันหนึ่งก็เข้าใจความเป็นจริง สิ่งที่เรียกว่าตัวเราไม่ได้มีนัยะอะไรเลยนะตายสักคนหนึ่งก็ไม่ได้ทําให้โลกนี้เดือดร้อนอะไรเลยเข้ารู้ไปนะวันหนึ่งก็าคลายความยึดถือในตัวเองพอคลายความยึดถือในตัวเองก็ไม่จําเป็นต้องดิ้นรนอะไรมากมายละทุกวันนี้ที่ต้องดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเนะี่ยก็เพราะว่ามันรักตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นสุขอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์ตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มปลนิบัตินะนิบัติร่างกาย ล้างหน้าอาไปขับถ่ายนะอาไปอาบน้ําอาไปกินข้าวอามันแต่งตัวนะดูสิเราต้องซื้อสินค้ามากมายนะเพื่อจะปฏิบัติตั้งแต่ผมเลยถึงเท้าอะ่ะถึงต้นเท้าเลยนะมีของขายทั้งนั้นเลยเสียงเงินเยอะแยะเลยหวงที่สุดเนะวี่ยงเหี่ยวแล้วก็ไปดึงได้ใช่ไหมไปดึงได้ <laughs> คอยรู้คอดูไปนะวันหนึ่ง เราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นความต้องการเป็นความจําเป็นกับร่างกายจิตใจที่แท้ จ, จริงอะไรเป็นส่วนเกินอย่างบางคนนะมีคนหนึ่งเขามีรถยนต์ร้อยสิบเอ็ดคันถามว่านั่งได้ไหมร้อยสิบเอ็ดคันนั่งไม่ได้มันนั่งได้คันเดียวนะมีเงินซื้อข้าวกินทีหนึ่งได้ทั้งโรงสีมันก็กินได้จานสองจานะเขาปลูกบ้านสามหลังมีบ้านสามหลังเาไว้เก็บเสื้อผ้า ใส่ได้ทีละชุดเนะี่ยในพระไตปิดกพูดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิบอกมีอาหารมากมีอาหารมากเป็นพันพันจานกินได้จานเดียวมีเสื้อผ้าเป็นพันพันชุดใช้ได้ชุดเดียวมีพระมาเหสีแปดหมื่นสี่พันมังก็มีภรรยาได้ครั้งละคนเดียวเนี่ยแต่ว่ามันมีความต้องการสวดเกินความต้องการของกิเลสเนี่ยเยอะมันทําให้เราเหนื่อยมาก มีโทรศัพท์มือถือเอาไว้โทรเข้าโทรออกน ะ, ะเด๋ยนนี้ต้องไปซื้อแบบมีลูกเล่นเยอะๆแล้วไม่ค่อยได้เล่นหรอกห mm hmm. ลวงพ่อเองแหละแต่ก่อนนี้ซื้อคอมพิวเตอร์นะต้องเอาแพงๆนะให้ทำอะไรได้หลายๆอย่างเสร็จแล้วเอาไว้พิมพ์อย่างเดียวแหละ mm hmm. ทำอย่างอื่นไม่เป็น mm hmm. นี่มันมีส่วนเกินพวกนี้เยอะเราก็ไม่รู้งั้นถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสของเรารู้ทันใจเรานะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมาก ม, มีเงินเหลือเก็บแล้วตอนนี้แต่ไม่ใช่สอนขี้เกียจ น, นะต้องขยันนะขยันทํามาหากินเป็นฆราวาสมีหน้าที่ทำมาหากินขยันสรุปง่ายๆการปฏิบัติเนะี่ยก็คือการเรียนรู้ตัวเราเองรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจนะวันนึงเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงปล่อยวางความยึดถือจิตใจก็หมดภาระหมดการดิ้นรนมีความสุขมีความสุขแบบบอกไม่ถูกนะ ตกแบบไม่รู้จะพูดยังไงไหนเมื่อเช้าใครใครผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึง่งไหนอยู่ไหนโอ้ไปซ่อนอยู่อีกลึกเลยเคยฝึกไหมหัดดูใจตัวเองไปนะหัดดูใจไปคนไหนดูจิตใจไม่ออกก็ค่อยมาเรียนดูกายดูกายทำยากนิดหนึง่งพวกเราชอบนึกเอาเองว่าดูกายง่าย คาจริงการดูกายเนี่ยถ้าดูอวัยวะง่ายแต่ดูให้เห็นรูปนี่ยากที่สุดเลยนะนเห็นมือใช่ไหมเห็นมือไหมมือไม่ใช่ไม่ใช่รูปนะมือเป็นแค่สมมุติบัญญัติเนี่ยกว่าจะเห็นรูปจริงๆเน่ยยากนะนั้นการรู้กายเนี่ยจะกว่าจะรู้ได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นพอพระอภิธรรมหนึ่งสอนบอกว่ากายานุปัสสนาเหมาะกับสมถะญาณิกเหมาะกับคนเล่นฌาน ถ้าทาําฌานจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยไอย้ตัวที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ต้องคิดเอานะนักปฏิบัติบางกลุ่มบางท่านก็ ก, ก็ก็เรียนเข้าเขาเหมือนกันอย่างบางท่านรู้อิริยาบถสี่นะแล้วก็ดูว่าไอ้ที่นั่งอยู่เป็นรูปใจของเราเป็นคนรู้รูปถ้ารู้ถูกต้องมันก็จะรู้อย่างนั้นะแต่ว่าถ้ายัางคิดเอานะก็ไม่ถูกต้องอยังคิดว่านี่เป็นรูปนะใจนามเป็นคนรู้อะไรเงี้ย อันนี้ยังคิดเอาแต่ถ้าเป็นความรู้สึกแท้ๆถูกต้องนี้จะรู้สึกว่าไอ้ น, นี้เป็นรูปได้เนี่ยใจต้องตั้งมั่นต้องทําสมาธิใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่กําลังกระดุกกระดิกนี่ไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นรูปที่เคลื่อนไหวไรูปที่หยุดนิ่งเท่านั้น น, นะหาความเป็นตัวเราไม่ได้งั้นอย่างบางคนบอกว่าจเจริญกายานุปัสสนานะยกไม้ยกมือนะยกมือ หรือดูท้องฟองยุบดูหายใจเข้าหายใจออกส่วนใหญ่มันไปนติดอยู่ที่อวัยวะมันทะลุเข้าไปไม่เห็นรูปรูปดูยากนะรูปอย่างการรู้ลมหายใจเข้าออกให้เห็นว่าเป็นรูปนี่ยากมากเลยรูปของลมหายใจคืออะไรคือธาตุสี่นั่นเองนึกออกไหมในลมหายใจมีธาตุสี่ดินน้ําไาลมครบเลยเนี่ยมันยากนะที่จะเข้าใจหรือเนี่ย เห็นไหมรูปที่แท้จริงคือสีสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้นี่คือรูปคำว่ามือคำว่าแหวนนะภาษาจีนเลกชิ้วนี่สมมติบัญญัติทั้งหมดเลยเราเห็นแต่มือเราไม่ได้เห็นรูปนั้นการดูรูปยากนะพวกเราชับนึกเอาเองว่าดูรูปง่ายส่วนนามนี่พวกเราว่าดูยากนะเด็กๆยังดูได้เลยคนนี้กล้าคุยกับหลวงพ่อไหมกล้าไหมห กล้าไม่กล้าไหมหรือคนนูน้นผู้หญิงนั่นกล้าคุยกับหลวงพ่อไหมเอามีเด็กคนไหนกล้าคุยกับหลวงพ่อบ้าง <c oughs> คนนี้ยกล้าไหมไม่กล้าเลยเหรอ <c oughs> มหาอาสาสมัครเด็กไม่ได้เลยเนาะ <c oughs> เอาคนเนี้รู้จักเขินไหมอ๋อรู้จักเขินนะเด็กรู้จักใครไม่รู้จักไหมใครไม่รู้จักว่าเขินเป็นไงเคยกลัวไหมเคยอิจฉาไหม ออไม่เคยอิจฉาเลยเลยแต่รู้จักไหมว่าอิจฉาเป็นไงแล้วทําไมรู้ละ่ะสารภาพมาซะเคยรู้สึกไหมว่าแต่ละวันเนี่รักพ่อรักแม่ไม่เท่ากันบางวันรักมากบางวันรักน้อยใช่ไหมวันไหนตามใจเราเราก็รักเยอะวันไหนขัดใจเราเราก็รักน้อยหน่อยบางวันโมโหเลยใช่ไหมเคยโกรธพ่อไหม ห็นไหมเนี่ยบอกไม่โมโหนะแต่เคยโกรธนะ <l ots> จริงๆนะความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นนามธรรมเนี่ยนะเด็กยังรู้จักเลยแล้วทำไมเราไม่รู้จักเราล้าเลยที่จะรู้จักเท่านั้นเองนะความรู้สึกอะไรกำลังเกิดในใจเรานะคอยรู้ไปเรื่อยๆกรรมฐานดูจิตดูใจเนี่ยมันเหมาะกับคนในเมืองเหมาะกับพวกคิดมากเหมาะกับพวกปัญญาชนปัญญาชนเป็นคาสุภาพนะมันจริงคือพวกคิดมาก หลวงพ่อเรียกให้ไพเราะหน่อยจริงๆพวกชอบคิดชอบวิพากวิจารณ์ชอบตัดสินชอบให้ค่าชอบเปรียบเทียบพวกนี้พวกชอบคิดมากพวกคิดมากเนี่ยเหมาะกับการดูจิตใจตัวเองเพราะอะไรเพราะการดูจิตเนี่ยดูได้เลยไม่ต้องทําสมาธิก่อนพวกคิดมากทําสมาธิยากทํำยังไงก็ไม่ค่อยสงบเคยทำไหมสมาธิทําแล้วมันไม่ค่อยรวมง่ายะ มันจะฟุ้งแล้วทําไมมันฟุ้งเก่งเพรามันคิดมากดังั้นคนคิดมากเนี่ยเมื่อทําสมาธิไม่ค่อยได้นะไม่มีทางเลือกอื่นเลยต้องดูจิตเอานะพระพิธรรมถึงสอนบอกว่าจิตตานุปัสสนาเนี่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตจิตตานุปัสสนาเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตให้รู้เข้าไปเลยเช่นใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใจเราสงบรู้ว่าสงบใจมันอิดชารู้ว่าอิดฉ่าใจมันกลัวรู้ว่ากลัวะ มันเป็นยังไงก็ค่อยตามรู้ตามรู้นะใช้คาว่าตามรู้ขอย้ำคาว่าตามรู้ไม่ใช่ไปดักไว้ก่อนให้ความรู้สึกมันเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาเช่นลูกจะกวนเราเราจะฟังคำลูกกวนเราลาคาญหน่อยๆลาคาญแล้วก็ความลาคาญเกิดก่อนแล้วก็เราก็รู้ว่าลาคาญนั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็หนีไปคิดรู้สึกไหมหนีไปคิดหนีไปคิดก่อนแล้วก็รู้ว่าหนีไปคิดนะ เนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆเหมาะกับคารวาะคนที่ไม่มีเวลาทําสมาธิดูจิตดูใจตัวเองไปทําไมดูจิตไม่ต้องทําสมาธิก่อนอย่างจิตฟุ้งซ่านบอกให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนะที่ไม่ให้ทําสมาธิก่อนเพราะว่าถ้าไปทําสมาธิก่อนมันจะไม่มีจิตที่ฟุ้งซ่านให้ดูมันจะไม่มีจิตที่มีราคะโทสะอะไรให้ดูมีแต่จิตนิ่งๆไม่มีใรรักให้ดู แต่ถ้าเราเฝ้าดูไปเลยจิตเราเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็โดหดผู๋เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะดูไปเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นในจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเริ่มเห็นธรรมะแนละ้วเริ่มมีปัญญาเห็นใจ ร, นะรักแล้ว ง, ง่ายๆที่สุดนะการปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายๆพวกเราเรียนมากเกินไปมันก็เลยยากคนสมัยพุทธกาลไม่ได้ฉลาดกว่าเราเท่าไหร่หรอกนะเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยฟังธรรมะของเขาฟังแล้วเขปิ๊งเลยไม่คิดมาก พวกเรานี่ใส่คิดเยอะไปอี่ยงพระเจ้าสอนรู้กายเนี่ยวิธีรู้กายนะเันบอกดูก่อนทิศสูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่เหยียดเหลวซ้ายแลกขวายืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้ให้มีความรู้สึกตัวเนี่ยเขาได้ยินกันแค่นี้เขาก็ทําได้แล้วนะของเราจะมีปัญหามากตั้งแต่ว่ารู้สึกตัวเป็นยังไง ทำยังไงถึงจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกทั้งตัวรู้รู้สึกแต่มือรู้สึกแต่เท้ารู้สึกแต่ท้องแม้ปัญหาเยอะเลยความจริงคําว่ารู้สึกตัวก็คือไม่เผลอนั่นแหละมันตรงข้ามกับไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมันเกิดตอนไหนก็ตอนเผลอนั่นแหละอย่างเนี้ยเผลอไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันก็ไม่รู้สึกตัวแค่นี้เองนะมันง่ายแค่นี้มันตื้นแค่นี้เองนะธรรมะไม่ใช่ของลึกลับนะเป็นของตื้นนะคนที่ฟังธรรมะแล้วถึงบอก พูดพระพุทธเจ้าว่าง่ายนะแจมแจ้งนะักพระเจ้าข่านะเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายไม่มีใครไปอุทานใส่ท่านนะสับสนพระเจ้าข่ายากเหลือเกินนะไม่มีใครไปอุทานอย่างนั้นกนเลยแต่พวกเราจะอุทานแค่บอกว่าให้รู้สึกตัวเราก็คิดมากแล้วว่าทํำยังไงจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นยังไง ร, นะรู้สึกตัวมันก็กลับข้างกับไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่รู้สึกตัวก็เผลอไปนั่นแหละนะ ใจลอยไปใจลอยไปนะลักษณะที่จิตใจเลื่อนลอยไปก็คือคำว่าขาดสตินั่นเองนะพระพิทามสอนสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะเยถ้ามันเลื่อนลอยก็คือขาดสตินั้นะคอยรู้สึกตัวเราก็จะเห็นเล ย, เยที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะทำไมพอเรารู้สึกตัวแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีความเป็นตัวเราจริงๆคือความคิดของเราเอง ตัวตนแ ท, แท้จริงไม่มีไม่ต้องละอัตตาตัวตนนะบางคนเข้าใจผิดว่าปฏิบัติเพื่อจะละอัตตาตัวตนเราไม่มีอัตตาตัวตนจะให้ละมีแต่ความหลงผิดความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนถ้าจะละก็ละความเห็นผิดซะวิธีละความเห็นผิดมีทางเดียวละด้วยความเห็นถูกนะเพราะฉะนั้นในอภิธรรมถึงสอนสักยัสทิฏฐิเนี่ยนะละด้วยทัศน์ะด้วยการเห็นเข้าไปเห็นถูกมันก็ละความเห็นผิดได้ เป็นสังโยชน์ที่ละด้วยการเห็นแล้วเราค่อยรู้กายค่อยรู้ใจไปตามที่เขาเป็นวันหนึ่งก็จะเข้าใจความจริงของเขากละความเห็นผิดนะแค่รู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วนะรู้สึกไหมร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิ๊กไปอย่างนั้นเองนะไม่ใช่ตัวเราีนะ่างกายนี้ง่ายที่สุดนะแค่รู้สึกตัว ข, ขึ้นมาก็ไม่ใช่เราแล้วแต่จิตจะเป็นเราอยู่พรนะพุทธเจ้าสอนเนี่ยบอกว่า คนทั้งหลายนี่ยากที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตน่ะอาศัยอยู่ในครูหาคือกายนี้เที่ยวไปรวดเร็วนะทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดเวลาเกิดดับรวดเร็วจนเรารู้สึกว่าไม่เกิดดับเหมือนไฟฟ้าเนี่ยวินาทีหนึ่งเกิดดับห้าสิบกว่าครั้งนะมันเกิดดับเร็วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ดับคงที่สว่างคงที่อยู่อย่างนี้จิตนี้ก็เกิดดับรวดเร็ว จนเรารู้สึกว่าจิตนี้มีดวงเดียวไม่เคยเกิดดับพอสําคัญจิตว่าจิตมีดวงเดียวคราวนี้ก็ห่วงสิเพราะมันมีดวงเดียวเนี่ยพอจิตหลงไปทางตาเช่นเผลอไปดูใครก็พปุ๊บไปดึงคืนมาละคิดว่ามันมีดวงเดียวหลงไปฟังเสียงก็ไปดึงคืนพปดึงมาก็แน่นแน่นเลยเป็นทุกข์เลยจริงๆจิตเกิดดับเกิดดับนะจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดทางใจก็ดับที่ใจไม่ใช่จิตมีดวงเดียว นี่อยากเห็นว่าจิตเกิดดับเกิดดับนะค่อยสังเกตความรู้สึกของเราไปวิธีดูจิตดูสองอันนะดูความรู้สึกกับดูอาการดูพฤติกรรมของเขาความรู้สึกเช่นเดี๋ยวจิตก็โลภแต่เดิมไม่โลภตอนนี้โลภขึ้นมาแปลว่าจิตมันไม่เที่ยงแล้ันคนละดวงจิตที่โลภแต่จิตไม่โลภนี่คนละดวงหรือใจลอยไปเผลอไปนี่จิตมีโมหะจิตหลงจิตฟุ้งซ่านไปจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยจิตดวงนี้ไม่ใจลอย คนละดวงกันละจิตที่ใจลอยไปเป็นอกุศลจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ใจลอยเป็นกุศลนี่คนละดวงกันนะค่อยดูไปจะเห็นมันคนละอันกันนี่อันนี้เรียกว่ารู้ความรู้สึกของมันนะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ดูความรู้สึกอันหนึ่งก็ดูมันไม่คงที่นะมันไปทางตามันไปทางหูมันไปทางใจมีพฤติกรรมของมันเขารู้ไปทีแล้วก็เห็นผิดว่าเป็นอันเดียวกัน ดูไปเรื่อยๆจะเห็นในจิตที่ไปทางตาก็อันหนึ่งทางหูทางใจก็อันหนึ่งนะคนละอันว่างในโยมขอ้อความเก่าในรัตนนะที่คิดข้อความบางทีนี่คือการเป็นจิตในจิตหรือเปล่าใช่คำว่าจิตในจิตนะเป็นคำไม่ใช่เรียกเล่นๆหรอกนะถ้าพูดภาษาสมัยใหม่นะมันก็คือเป็นการศึกษาจิตใจหรือศึกษาร่างกายเราแบบนักวิจัยเรียนอย่างเราจะทําวิจัยทัศนคติคนหนึ่งล้านคนเนี่ย เราไม่แจกไปเช่นแหนร้านใบใช่อย่างเขาทำสวนดูสีโฟนทำอะไรนะเขาไม่ได้แจกเปเช่นแหนมากเขาสุ่มตัวอย่างแต่ว่าความคิดเห็นของคนที่เป็นตัวอย่างเนี่ยมันสะท้อนความเห็นของคนกลุ่มใหญ่ได้เรียกว่าเรียนส่วนน้อยแล้วก็เข้าใจส่วนใหญ่คำว่าจิตในจิตหมายถึงเราเรียนจิตส่วนน้อยแล้วก็เข้าใจจิตทั้งหมดนะแล้ว เ, เอาจิตทั้งหมดเนี่ย จิตทั้งหมดที่ปูตุชนจะมีได้นะมี81ดวงเอามาใส่ตะกร้าไว้แนละ้วถ้าเราแบ่งด้วยโทสะเนี่ยมันจะมีสองกลุ่ ม, มจิต ท, ที่มีโทสะกับไม่มีโทสะนะถ้าแบ่งด้วยราคะก็แบ่งได้2กลุ่ม81ดวงเนี่ยเป็นจิต ท, ที่มีราคะกับไม่มีราคะถ้าแบ่งด้วยโมหะ ก, ก็แบ่งได้สองกลุ่มเป็นจิต ท, ที่หลงไปกับจิต ท, ที่ไม่หลงจิต ท, ที่รู้สึกนะงั้นการเรียนเนี่ยเรียนคู่เดียวพอมันจะเห็นไตรลักษณ์ นะเช่นจิตหลวงพ่อชอบให้เรียนจิตที่เผลอไปหรือจิตที่มีโมหะนะกับจิตที่รู้สึกจิตที่ไม่ไม่เผลอนะจิตที่ไม่มีโมหะถ้าเรียนคู่เดียวจะเข้าใจจิตทั้งหมดนะจิตที่เผลอไปนี่เป็นตัวแทนของอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาไม่เผลอนั้นเป็นตัวแทนของกุศลพอจิตนะ ท, ที่เผลอไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน เ, นเนผลอแวบเรารู้แวบเรารู้แวบเรารู้รรเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนะในที่สุดปัญญามันเกิด จะเห็นเลยจิตที่หลงไปเผลอไปจิตที่เป็นกิเลสเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้จิตที่จะรู้สึกตัวเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะเราก็รักษาจิตที่รู้สึกตัวไว้ไม่ได้มีแต่เกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตทุกชนิดเลยทั้งจิตที่เผลอไปจิตที่ไม่เผลอจิตที่โกรธหรือจิตที่ไม่โกรธจิตที่โลภหรือจิตที่ไม่โลภเนี่ยมีลักษณะเท่าเทียมกันก็คือไม่เที่ยงเหมือนเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกัน นี่เรียนแค่สองงานจิตที่มีโมหะกับไม่มีโมหะแค่เรียนคู่เดียวนี้ก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดเลยว่าจิตทั้งหมดมีลักษณะอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เหมือนๆกันเรียกว่านี่เรียกว่าเรียนจิตในจิตเรียนจิตแค่ส่วนย่อยๆเท่านั้นแล้วก็รู้จักจิตทั้งหมดเรียนกายในกายก็แบบเดียวกันเรียนกายบางส่วนกายส่วนย่อยเท่านั้นแล้วก็รู้รูปทั้งหมดเลยอย่างรูปในคัมภีอภิธรรมบอกมียี่สิบแปดรูป ไม่ต้องเรียนยี่สิบแดรูปปวดหัวตายเลยเรียนรูปอันเดียวพอนะรูปอันเดียวที่แนะนําให้เรียนเรียกว่าวินยติรูปรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งน أ, นะั่นแหละเพราะฉนั้นการรู้อีริยาบถสี่ยนะถ้าเราเห็นว่าไอ้ตัวที่กาําลังนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะตรงนี้แจมแจ้งมันก็จะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเห็นว่ารูปที่กําลังยืนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะรูปทั้งหมดจะไม่ใช่ตัวเราทั้งยี่สิบปดรูปเลยฉะนั้นตะัวรูปเรียนยากนะ เห็นึกว่าเรียนง่ายตัวรูปเรียนยากมากเลยถ้าไม่มีชานเรียนยากใจไม่ตั้งมั่นพอเนี่ยอย่างเราเหยียบอยู่นะพอเรายกเท้าเนี่ยโอ้ไม่ทาตดินลดลงฟังก็ประสาทจะกินนะเหยียบอยู่พอยกเท้าขึ้นมาเนี่ยที่น่องเราเนี่ยมันจะอ่อนลงมันอ่อนลงเนี่ยคือธาตุดินมันอ่อนมันลดลงพอเหยียบตรงถูกพื้นเนี่ยธาตุดินเพิ่มขึ้นโอ้กว่าเรียนแล้วจะเห็นธาตุไม่ใช่ง่ายนะยากที่สุดเลย ถ้าจิตไม่มีสมาธิพอไม่เห็นแต่ถ้าดูจิตดูใจนี่ของง่ายๆเลยดูไปนะเด็กมันยังรู้เลยนะใครนึกว่ายากนะนึกถึงเด็กคนนี้นะเด็กคนนี้บอกไม่เคยโมโหแต่โกรธนะแต่เขาพูดภาษาบาลีถูกแล้วนะโมโหแปลว่าโมหะนะโกรธมันพวกโทสะนะี่พูดถูกภาษาบาลนะีงั้นจิตในจิตก็คือเรียนจิตส่วนน้อยแล้วก็รู้จักจิตทั้งหมด กายในกายก็คือเรียนกายส่วนน้อยแล้วก็รู้จักกายทั้งหมดนะเรียนเวทนานะเช่นเป็นสุขก็รู้นะสมมติว่าเรามีความสุขอยู่เราก็รู้ว่ามีความสุขเนยะที่จะเห็นเลยเดี๋ยวความสุขก็หายไปนี่เรียนมันอันเดียวแค่นี้ยังพอเลยนะความรู้สึกก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นสุขกับไม่สุขไม่ก็เฉยๆแถมอีกอย่างก็มีอยู่แค่นี้เองงั้นะเรียนส่วนย่อยแล้วก็รู้จักทั้งหมดนะนี่เรียนแบบนักวิจัยนะ เวลาวิจัยเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนสุ่มตัวอย่างมาวิจัยธรรมะเขาเรียกว่าทำมาวิจัยเหมือนกันทำมาวิจัยยะวิจัยธรรม ะ, ะสุ่มตัวอย่างออกมาเรียนแล้วตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วอยู่ในสติปัฏฐานบางอย่างสติปัฏฐานสี่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะอารมณ์ในสติปัฏฐานสี่บางอันเป็นสมถะอย่างการพิจารณาป่าช้าร่างกายเป็นศพเก้าชนิดอเนี่ยอันนี้เป็นสมถะ อานาปนสติเนี่ยเป็นได้สองอย่างสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้แล้วแต่อาการของจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจนั้นแต่การรู้อิริยาบถสี่เนี่ยอันนี้เอาไว้ทำวิปัสสนาง่ายรู้รูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งเนี่ยสายลมพ่อเทียนที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนี่ยก็คือสัมปชัญญะบัพพะในสติปัฏฐาน หลวงปุดูลชอบสอนให้ดูจิตก็คือจิตตานุปัสสนานะท่านโคเอนก้าสอนเวทนานุปัสสนามีหลากหลายแต่ถ้าทำถู ก, กมันจะเข้าไปที่เดียวกันสติอันเดียวกันเกิดขึ้นสัมมาสมาธิอย่างเดียวกันเกิดขึ้นปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามเหมือนๆกันก็เกิดขึ้นไม่นั่งไม่ต้องนั่งเถียงว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุด กรรมฐานสําหรับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะทางใครทางมันใครถนัดยังไงก็เดินอย่างนั้นพุทธเจ้าถึงสอนกรรมฐ า, านเอาไว้เยอะแยะเพราะว่าคนมันเยอะแยะแต่สําหรับคนคนหนึ่งเราใช้นิดเดียวเช่นที่หลวงพ่อสอนให้ดูจิตเนี่ยแค่เผลอกับรู้เผลอกับรู้เท่านี้ก็พอแล้วนะพอรู้เรื่องไหมเก่งเนอะรู้เรื่องหลวงพ่อพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย รู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมใจผ่อนคลายรู้สึกไหมเนี่ยคอยรู้ไปทุกคนรู้ได้นะรู้ได้อยู่แล้วเราละเลยที่จะรู้ต่างหากล่ะรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดจริงจังใจเริ่มนิ่งนิ่งขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยทุกคนรู้ได้นะก็ค่อยรู้ไปนะคุณผู้ชายที่ใส่แว่นตาใจลอยไปและรู้สึกไหมเนี่ยแค่นี้เองค่อยรู้ทันนะรู้ทันตัวเองไปเรื่อย ก็ไม่ถึงกับต้องรู้ทันไหนแค่ตามรู้หลพใช้คาคิดแค่ตามรู้อย่างตอนนี้ฟังแล้วก็คิดตามรู้สึกไหมเราก็มีหน้าที่รู้ทนันอ้อตอนนี้คิดแล้วไม่ใช่รู้แต่เรื่องที่คิดในโลกนี้คนรู้แต่เรื่องที่คิดนะไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่หลวงพ่อเจียนถึงบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางต้นทางก็คือจะสามารถทำวิปัสสนาได้รู้กายรู้ใจได้ เนี่ยของคุณที่ใส่เสื้อวอมเนะี่ยหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมตรงที่หนีไปคิดนึกออกไหมมันลืมกายลืมใจเห็นไหมแค่นี้เองที่ท่านบอกถึงวนะ่ารู้สึกตัวไว้พอรู้สึกตัวมันก็รู้กายรู้ใจได้ถ้าหนีไปคิดมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ที่จริงแล้วคนเราหลงหกแบบหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่หลงมากที่สุดนะหลงทางใจคือหลงคิดครูบาอาจารย์หลายองค์เน้นลงมาที่คิดอย่างหลวงพ่อเทียนจะสอนเลย การคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวเนี่ยถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางคือท่านเอาตัวที่มันมากที่สุดในหกช่องทางให้จับเอาตัวคิดนี่แหละหลวงปู่ดูลก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้หยุดคิดถึงจะรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้กายไม่รู้ใจรู้แต่เรื่องที่คิดนั้นอยากทํำนิพพสนารู้กายรู้ใจ อา้าคุณที่ใส่แว่นที่มากับพ่อรู้จักใจลอยอยังเออเห็นไหมเรียนง่ายจะตายหัดรู้จักไปนะหัดรู้จักสภาวะไปวันละอย่างสองอย่างเช่นใจลอยเป็นอย่างนี้แอบไปคิดจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยใจลอยอย่างนี้เลือกใจลอยนีไปเฉยเยเห็นหเนี่ยคอยรู้ตัวเองนะหลวงพ่อบอกให้เป็นแนวทางกลับบ้านไปสังเกตของตัวเองไปไหนมาไหนคอยรู้สึกไป ใจเราจะวิ่งไปทางขวาลทั้งหกตลอดอ่ะคอยรู้ทันไปเรื่อยวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยเกิดดับตลอดเวลาเลยอะไรนะควาสุขครับอ๋อเพราะว่ามันไม่มีจริงมันวิปลาดวิปลาดมี่สี่อย่างนะคือเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนวิปลาสมีสี่อย่างอย่างเราดูว่โอ้สวยงามคนนั้นสวยคนนี้นสวยนะนะอันนี้วิปลาสเพราะจริงๆไม่ได้สวยหรอกมันสวยหลอกๆอย่างเช่นต้องไปอาบน้าก่อนให้ตัวหอมๆมันถึงจะสวยถึงจะน่ารักต้องทาแป้งต้องแต่งตัวถึงจะสวยแ ม, ม่อาบน้ำตามวันไม่สวยแล้วนะของจริงมันฟ้องงั้นถ้าหนึ่งหลอกว่าวิปลาสวิปลาสไม่ได้แปลว่าบ้า แปลว่ามันคล้ายๆมันสําคัญมั่นหมายผิดนะ่ะแล้วคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการทําสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อแก้วิตกลาศนั่นเองอย่างถ้ามารู้กายเนะี่ยจะเห็นเลยกายนี้ไม่สวยไม่งามเนี่ยแก้สุพัสสุพัสสัญญาะแก้สัญญาที่บอกว่ามันสวยมันงามแก้ความเห็นผิดว่ามันสวยมันงามนะหรือการรูนะ้กายเวทนาเนี่ยจะเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์ไม่ใช่สุขนะ กายเนี่ยมันไม่สวยมันไม่งามไม่ใช่มันสวยมันงามเวทนามีแต่ทุกข์ไม่ใช่สุขจิตเป็นเลยมีแต่ไม่เที่ยงไม่ใช่เที่ยงจิตเปลี่ยนแปลงตลอดส่วนธรรมนั้นอนะ่ะเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้ดนั้นในสติปัฏฐานสี่นม่จะมีจุดเด่นในการที่จะไปรู้ไปละวิปลาสแต่ถ้าละได้อันหนึ่งนะก็เนื่องกันไปหมด อย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใดหม่ๆมันก็รู้ชา้านิดนึงนะแต่อย่าให้ถึงขนาดเมื่อวานโกรธวันนี้รู้นะนานน่าเกลียดเอาประเภทว่ากําลังโกรธอยู่โกรธมาห้านาทีแล้วเพิ่ง น, นึกได้ว่าอ่ะยังโกรธอยู่อ่ะอันเนี้ยกําลังโกรธอยู่อย่างนี้ใช้ได้นะหมายถึงการดูจิตเนี่ยเราดูตามหลังโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วเรารู้ว่าโกรธแต่การรู้เนี่ยนะต้องไม่มีอารมณ์อื่นมาขั้นซะก่อนชันไม่ใช่โกรธไปจนกระทั่งลืมเรื่องโกรธไปแล้วไปคิดอะไร มีความสุขเพลิดเพลินแล้วมา น, นึกได้ว่าก่อนหน้านี้โกรธไอ้ น, นี่ช้าไปต้องรู้แบบติดๆรู้แบบตามหลังเลยต้องเห็นหางความโกรธไหวๆอยู่นะไม่ใช่โกรธเมื่อวานนี้วันนี้รู้อั น, นี้ช้าไปอย่างเนี้ยใจลอยแว็บหนึ่งเมื่อกี้ทราบไหมแค่นี้แหละเนี่ยไปอีกแว็บหนึ่งแล้วทราบไหม ท่านบ้างไงนะหลวงพ่อลืมไปนะส่วนนี้ อกริยานโยกแล้อที่หก็มีสติในการรู้เที่ยวแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องให้ทำสมาธอิอันนี้ผมไม่ทราบว่าคือคื อ, คอมั น, น, นเป็นขั้นตอนอย่างนั้นแหละแต่ขั้นตอนนี้มันรวบเป็นสองกลุ่มถ้าพูดภาษาสมัยใหม่เลยก็คืออันแรกเลยก็คือเราต้องปรับตัวเราให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติธรรม อย่างรู้ประมาณในการบริโภคไม่ไปคลุกคลีวุ่นวายกับคนอื่นนะมีประมาณในการบริโภคสํารวมอินทรีย์นะแล้วก็มีความตื่นอยู่หรือหนึ่งเนืองตื่นหมายถึงจิตใจนี่มีความตื่นตัวไม่ใช่ว่าอดนอนนะชากริยญานุโยกบาเพ็ญความตื่นอันนี้มันจะทําให้จิตใจนี่ไม่พลากนะมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจต่อไปได้เบสิกเลยเื้องต้นเลยต้องมีศีลไม่ก่อนพอมีศีลแล้วก็ สํารวมอินทรียนะ์ไม่คลุกคลีสํารวมอินทรีย์เนี่ยมันมาจากการที่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ดูไม่ฟังนะแต่ว่าในขณะที่ดูเนี่ยถ้าความยินดียินร้ายเกิดที่ใจนะมีสติรู้ทันในขณะที่ได้ยินเสียงถ้ายินดียินร้ายก็รู้ทันนี่เรียกว่าสํารวมอินทรีย์ที่จริงอะนะที่แท้จริงนะแล้วก็รู้ประมาณในการบริโภคนะแล้วก็ทําความตื่นหมายถึงให้จิตมันตื่นเนืองเนืองคอยรู้สึกตัวเนึองเนือง ถ้าทำพื้นฐานตรงนี้ได้แล้วคราเนี้ยสติจะเกิดขี่ยิบขึ้นมาพอสติเกิดเนี่ยต่อไปสมาสมาธิมันจะเกิดมันจะเกิดเนื่องกันเป็นลูกโซ่นะแต่ในความเป็นจริงก็คือถ้าเราฝึกสติอันเดียวนะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเลยครูบาอาจารย์ท่านเคยเทียบคล้ายๆบอกไปคนทอดแหยมเคยเห็นแหยไหมคนรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้จักแหนะเวลาทอดแหเราดูเป็นแผ่แนๆนะความจริงเขามีที่จับตรงกลางนะเขาเรียกว่าจอมแห จะจำแผลอันเดียวนี่จับที่เดียวนี้ได้ทั้งหมดเลยการปฏิบัติเหมือนกันนะถ้าเรามีสติอันเดียวนะเราจะได้ทั้งหมดเลยคือทันทีที่เรามีสติเนี่ยศีลนี่ก็จะเกิดขึ้นมาศีลมันเกิดจากขาดขาดศีลนั่นเกิดจากขาดสติเช่นถูกเขาด่าแล้วมันโกรธเขาเรารู้ไม่ทันว่าใจมันโกรธก็เลยไปตีเขาไปต่อยเขาหรือไปด่ากลับนี่ผิดศีลถ้ามีสติศีลก็เกิดเอง สำรวมอินทรียสังวรถ้าเรามีสติอินทรียสังวรก็จะเกิดเองนะเช่นภาตามองเห็นนะใจมันยินดีเห็นสาวสวยขึ้นมาเนี่ยมันไปหลงรักเขาแล้วมันเห็นว่าหลงรักเขาแล้วนะความรักนี่นจะดับไปเนะี่ยเราจะไม่ไปทำผิดศีลห้านะนะแล้วจะไม่ล็อกแรกล็อกแรกอะไรออกไปนะอินทรียสังวรก็เกิดจากความมีสตนะิการประมาณในการบริโภคถ้าเรามีสติอยู่เราก็จะไม่บริโภคเกิน หรือความตื่นตัวจิตมันตื่นมีชาคริยานิยมีความตื่นอยู่ได้หนึ่งเหนิงก็เพราะว่ามันมีสติถ้ามันขาดสติมันก็ไม่ตื่นหัดจากนั้นก็คือสติเกิดหนึ่งเหนิงเพราะสติเกิดเนี่ยสมาธิก็จะเกิดนะเช่นใจเราลอยไปสติเระรึกรู้ทันว่าใจลอยปุ๊บใจจะไม่ลอยใจจะตั้งมั่นนี่สมาธิจะเกิดขึ้นเองนะเสร็จแล้วปัญญาจะเกิด ก็จะเห็นว่าจิตที่ลอยไปนั้นเราก็ห้ามมันไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นนี้รักษาไว้ก็ไม่ได้นี่คือตัวปัญญาพอมีปัญญาแจ่มแจ้งเห็นจิต ท, ทุกชนิดเนี่ยรักษาไม่ได้เห็นรูปทุกชนิดรักษาไม่ได้วิมุตต์ก็จะเกิดคือการปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเพราะฉั้นการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆเนี่ยตัวที่สําคัญมากคือตัวสตินั่นเองถ้ามีสติตัวเดียวเนี่ยทำฝ่ายกุศลทั้งหลายก็จะตามมาเป็นแถวเลย ถ้าขาสติตัวเดียวหรือประมาทตัวเดียวนี่อกุศลทั้งหมดจะตามมาเป็นแถวเลยเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติแยกส่วนไม่ใช่ว่าวันนี้ทําโภชเนมัตันยุตาวันนี้ําชาคริยานุโยควันนี้ทําอินเซียสังวรวันนี้ทําสมาธิวันนี้ทาําสติไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือบางคนรุ่นหลังๆเนี่ยตอนเช้าสมาทานศีลบอกเช้ามีศีลนะกลางวันไปคิดงานคิดการบอกจเจริญปัญญา ตอนค่ำก่อนนอนบอกนั่งสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญานี่อยู่คนละส่วนกันไม่มีการประชุมลงที่เดียวกันใช้ไม่ได้หรอกเป็นศีลสมาธิปัญญาหลอมๆถ้าเมื่อไหร่มีสตินั่นก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมางั้นมักมีหนึ่งเท่านั้นมักก็ไม่ได้มีแปดมักมักมีอันเดียวทันทีที่เกิดสติที่แท้จริงเกิดสัมมาสติที่แท้จริงสัมม า, า, มมาอีกเจ็ดตัวจะเกิดเองเลย ประชุมลงที่เดียวกันที่จิตดวงเดียว น, นั่นเองเรียกว่ามัคสมังคีวัดต่าท่านเรียกวัดมัคสมังคี <Okay. S 1> งั้นโยมทําเป็นขั้นๆ น, นะ <Okay. S 1> แต่ว่าขั้นนี้มีไม่มากอะ่ะอันแรกเลยตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนศีลห้าเนี่ยเราก็จะเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากไว้สองมือสองเท้าหนึ่งปากเก็บไว้ก่อนนะแล้วทําผิดศีลก็คือมันทําผิดทางกายทางวาจาออกไป พอตั้งใจงดเว้นการทําผิดทางกายทางวาจาแล้วก็ค่อยหมั่นจเจริญสติพอตาเรามองเห็นใจของเราเปลี่ยนมันยินดียินร้ายขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เช่นเห็นนางงามจักรวาลเดินมาคนทั่วๆไปจะรู้ว่านางงามจักรวาลมาของเราเก่งกว่าเขานิดนึงเรารู้ว่าใจเราชอบเขาซะแล้วเนี่ยรู้เพิ่มขึ้นมาจากคนทั่วๆไปหน่อยเดียวเดินไปช้อปปิง้งสมมติไปเห็นโทรศัพท์ รุ่นใหม่สวยงามใจมันอยากได้คนทั่วทั่วไปจะรู้ว่าโทรศัพท์รุ่นนี้สวยนะแต่ไม่รู้ว่าอยากได้เรารู้ว่าอยากได้เนี่ยต่างกับเขาหน่อยเดียวนะได้กลิ่นดอกไม้หอมคนทั่วทั่วไปรู้ว่านี่กลิ่นกุหลาบกลิ่นจำปีกลิ่นมะลิเนะี่ยของเรารู้ว่าใจเราชอบนะรู้เพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่นะลองทำนะไม่ยากหรอกเยยอย่าไปคิดเยอะนะคิดเยอะเรายาก ที่จริงมันเรื่องง่ายเลยง่ายธรรมะกับการใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยอันเดียวกันเลยยกเว้นนะยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดตอนที่ทํางานที่ใช้ความคิดจะเจริญสติไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องที่มันคิดซะแล้วมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้อย่างตอนนิยมหนีไปคิดแล้วทราบไหมนิยมหัดรู้สึกเปอย่างเงี้ยไม่ยากหรอกอย่าเชื่ออย่าไปนึกว่ายากนะ ถ้ายากคนสมัยพุทธกาลทําไม่ไหวหรอกนี่ของเราเรียนเยอะไปเรียนเยอะเลยคิดเยอะนอใครรู้สึกรู้สึกใจลอยแว บ, บหนึ่งทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยแค่นี้เองเห็นไหมโยมก็ดูออกทำไมจะดูไม่ออกไม่ได้ยากอะไรหรอกหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมแค่นี้เองคอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยตามรู้ไปอ้าคุณสันว่าไงคุณสานเป็นไงเป็นไง อย่าบังคับมันเยอะนะฟื้นเป็นไงดีแล้วที่ไม่ประมาทเนี่ยคนเนี้ยที่เมื่อเช้าเล่าให้พวกเราฟังที่บอกว่ามาเรียนอยู่เดือนครึ่งสองเดือนเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเพราะพยายามจะทําพอหมดความพยายามที่จะทํานะกิเลสมันเกิดก็เห็นกิเลสมันเกิดก็เห็นมันเรื่องธรรมดาที่สุดเลยไคิดจะทําให้ถูกมันจะไม่ถูกเลย เพราะว่าความอยากจะทําให้ถูกมันคือกิเลสนั่นแหละคือโลภะโลภะเกิดแล้วสติจะไม่เกิดอ้าคุณผู้หญิงที่นั่งถัดคุณสันไปอะ่ะรู้จักใจลอยไห ม, อ, ม, ม อ, อ, อ, อ่าไม่เป็นไรอย่าไปทะเลาะกัน <c oughs> คืออย่างนี้โดยธรรมชาติเนี่ยพอไปรู้เข้าแล้วมันอดสมมุติบรรัญญัติต่อไม่ได้อดคิดไม่ได้ ห้ามมันไม่ได้หรอกก็อย่าไปห้ามมันอย่าไปโกรธมันนะว่ามันช่างพูดยอมเห็นไหมมันจะวิจารณรู้สึกไหมห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นั่นแหละธรรมะที่เราอุตสาหปฏิบัติแทบเป็นแทบลายก็จะให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้สักหะนะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะบังคับให้ได้เพราะฉะนั้นพอมันไปรู้อารมณ์แล้วมันชอบบรรยายเราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นะถูกต้องแล้ว วันหนึ่งปัญญาจแจ้งอ้มันจะวิจารนี่เราไม่ได้วิจารนะมันกโกรธนี่เราไม่ได้กโกรธนะมันโลภเราไม่ได้โลภมันเผลอไปเราไม่ได้เผลอหรอกนะหาตัวเราไม่ได้อา้าวคุณที่นั่งขัดมานี่ใจลอยไปแล้วนะนั่งต่อจากคุณสันเนี่ย <c oughs> รู้สึกเรื่อยเรื่อ ใช่คนที่ตามดูก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไหมไม่มีอะไรเที่ยงนั่นแหละถูกแล้วนะไม่ยากนะโยมโยมที่มาใหม่ๆอย่าท้อใจนะโยมที่เขาดูได้วันนี้เมื่อก่อนเขาก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะทนทนเอาแต่อยากขยันนะเอาไว้ว่าสมมติว่าเป็นผู้ชายเนี่ยสาวม่ชมว่าหลอแล้วมันดีใจก็รู้ว่าดีใจไม่ใช่ขยันนั่งเฝ้านะมีบางคนนะไปนั่งจ้องไว้ที่จิตก่ออ้าวเชิญดา่านะ เกินะใครยักล้าด่าใช่ไหมหรือด่าก็ไม่โกรธเพราะว่าจ้องเอาไว้นะแต่ถ้าเผลอๆนะไปด่าก็โกรธนะตอนหลวงพ่อตั้งวัดใหม่หลวงพ่อลืมไปแล้วนะมีเศรษฐีคนหนึ่งมาบอกผมรวยครับผมมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเลยแต่ผมเนี่ยมันอีโก้จัดเซลล์ Sell จัดนิสัยไม่ดีมาว่าตัวเองให้ฟังนะมาว่านี่ไม่ใช่เพื่ออะไรนะจะชมจีหลังนะบอกผมมันไม่ดีอย่างง้นไม่ดีอย่าง ง, าางี้วันนึงผมก็เลยรู้สึก คือแกเนี่ยเข้าโรงงานเพียงมีโรงงานพอเข้าไปที่โรงงานนะเห็นลูกจ้างเนี่ยจะเรียกมาเจออยู่อะไรไหนก็เรียกคนนั้นมาแล้วหาเรื่องด่าด่าให้เขากลัวยิ่งเขาสั่นนะแกยิ่งสะใจเนี่ยมันโรคจิตนะนี่ <c oughs> แกบอกว่าแกก็รู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยวันหนึ่งผมก็เลยไปจ้างคนมาด่าผมมันด่าผมเป็นชั่วโมงนะมันกินน้ําหมดเป็นขวดๆเลยนะผมไม่โกรธเลยอ เนี่ยตอนนั้นถ้าหลวงพ่อสวนไปบอกให้โง่นะมันโกรธหลวงพ่อนะเขาไม่ได้จ้างหลวงพ่อให้ด่าเราะงั้นดูจิตเดี๋ยวไปดักไว้ก่อนถ้าไปจ้องไว้ก่อนแล้วมันไม่มีอะไรของจริงให้ดูหรอกมันนี่แต่นิ่งๆอย่างจะเรียกคนมาด่าแล้วเราก็คอยจ้องไว้อ้าด่าเลยด่าเลยมันก็ไม่โกรธสิเพะงั้นไม่ใช่การดักไว้ก่อนแต่เป็นการตามรู้เนี่ยเผลอไปอย่างเนี้ยเผลอไปเผลอไปคิดเผลอไปก็รู้ว่าเผลอไป เคยฝึกมาแบบไหนคนนี้เรียนได้เร็วมากก็นแนั่สมต่อดีแอนแบบมเี่ค่ะบอกว่าถ้าสมาธิไม่ได้หล้รู้แล้วก็ให้ยงไม่างนย่างนีน้อืมนั่นแหละดูไปง่ายนิดเดียวเลยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยเอกรักษเป็นไง เออประคองรู้จักว่าประคองก็ดีแล้วสิ่งที่ผิดมีสองงานนะเหลอไปกับประคองไว้รักษาไว้กําหนดไว้พูดง่ายๆก็คืออันหนึ่งก็การสุขาริการนิโยโญอันหนึ่งอัตากิลมัฐานนิโยโญอัตากิลมัฏฐานิโยโญก็คือการบังคับกายบังคับใจตัวเองการสุขาริการนิรโยโญก็คือไหลาตามกิเลสไปนะอยากดูวิ่งไปดูอยากฟังวิ่งไปฟังอยากรู้เรื่องวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเอง เมื่อไรลืมตัวเองก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไหรบังคับกายบังคับใจไว้กายกับใจก็ไม่แสดงใจรักให้ดูงั้นการปฏิบัติก็คือรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเผลอไปก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เลยเพ่งเอาไว้ก็รู้ไม่ตรงความจริงมันนิ่งผิดความจริงศัตรูของการปฏิบัติก็เลยมีสองอันอันหนึ่งเผลอไปอนหนึ่งบังคับไว้กําหนดไว้ประคองไว้รักษาไว้ อโยมทั้งหลายเยอะเหลือเกินเนาะคนใหม่ๆก็เยอะปฏิเวทเป็นไงนี่น้องเหรออืพอไหวไหมง่ายนะเช่นคนชมว่าหล่อแล้วดีใจรู้ว่าดีใจนี่แล้วเขาบอกว่าไอ้ที่ชมตมกี้แกล้งชมหรอกเปลี่ยนจากดีใจเป็นโมโหรู้ว่าโมโหนะง่ายๆอย่างนี้แหละนะจะดูหนังดูละครก็ดูได้นะ เ ห, เห็นนางเอกสวยใจเราชอบเห็นผู้ร้ายเราใจเราเกลียดเห็นพระเอกหลอกว่เราเราไม่ชอบมั น, นมเรารู้ทันอย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้เรียกลูกมากินข้าวลูกมาอย่างดีเลยวันนี้ดีใจรู้สึกลูกน่ารักป้อนข้าวก็กินดีนอีกวันนึงมันโยเยเรียกก็ไม่มาชักมโมโหรูวห้ว่าโมโหป้อนข้าวแล้วก็ไม่ยาเชียวอมไว้อย่างั้ น, น, ะนะแหละ้วก็ชักมโมโหนี่โมโหรูวห้ว่าโมโห เห็นไหมเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้นะเลี้ยงคนแก่ก็ปฏิบัติได้นะคนแก่จู้จี้ขี้บน่นโกปลกอะไรเงี้ยลำคาญ ร, รู้ว่าลำคาญไปขับรถก็ทําได้นะขับรถอยู่วันนี้เจอแต่ไฟเขียวมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเจอแต่ไฟแดงหุ่นหงิดรู้ว่าหุ่นหงิดโดนปาดโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยธรรมะจริงๆไม่ได้ไกลตัวเราอยู่อยู่กับตัวเรานี่แหละไม่เคยหายไปไหนเลย เทาเป็นไงเถาเออเแบบท้ารู้ทันมันใช่ไหมรู้ว่าอยากใช่ไหมดีล้วอยากจะฝึกมันก็เกิดความพยายามที่จะทําเนี่ยตัญหาคือความอยากทําให้เกิดการสร้างพบพบเนี่ยในคำเพียพิธามนะมีชื่อเต็มๆว่ากลับมาพบคือการทํางานทางใจ น, นั่นเองสังเกตไหมพอเราอยากปฏิบัติเราก็ลงมือเอาใจไปทํางานทํามันโน้นทําอันนี้ขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือความทุกข์ เ้ามีพบก็มีทุกข์ละถารู้ทันดีแล้วล่ะถาแล้วกิเลสอื่นๆถ้าเริ่มเห็นได้เยอะขึ้นไหมถ้ารู้ไหมจิตมันสงบมากขึ้นละมันไม่มีมันว่างเปล่าไร้สาระไม่มีอะไรนะนั่นแหละฝึกไปนะโยมผู้ชายที่ว่ามันยา ก, ก น, นะดูคนนี้นะก็เริ่มต้นมาก็ยากๆเหมือนกันนี่ฝึก คอหัดรู้หัดดูนะสมาธิก็เกิดเองในชะ่ไหมพอมีสติแล้วสมาธิก็เกิดเองใจมันตั้งมั่นนะปัญญามันก็เกิดเห็นความจริงโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยว่างเปล่านะนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนท่านโมคราชนะบอกนะจงมองโลกเห็นเป็นความว่างเปล่าว่างไงโยมจิตเป็นมหาคตาคืออะไรกันจิตมหคตจิตนะี่จิตใจเป็นจิตที่ทรงชาน จิตของเรารู้สึกไหมจิตของเรามีจุดมีดวงมีขอบมีเขตจิตของเราเล็กๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาได้อันเล็กๆนะมาหาคาตาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจิตนี่ใหญ่เต็มโลกเลยนะครอบโลกพอมันเต็มใหญ่เต็มแล้วมันจะเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้มันเต็มนะมันก็หยุดนิ่งอยู่ไม่ทรงตัวนิ่งๆอยูนะ่อันนี้นเป็นจิตทรงฌานะของเราไม่มีไม่เป็นไรในจิตตานุปัสนาเนี่ยท่านแบ่งจิตไว้มี16ดวงสิบหกชนิดนะ ขอเราฝึกแปดอย่างพอละวแปดอย่างแรกนะอีกอแปดอย่างหลังนะั่นเป็นจิตของคนทรงฌานฮ<ต>นะไมด่ดีสิดีสิแต่ว่าเราทําชาญไม่ได้เราไม่ต้องไปเรียนอันนั้นเพราะเราไม่มีเราต้องเรียนจากของที่เรามีนะ ส, สติปัฏฐานเราเรียนจากของจริงไม่ไม่ใช่เรียนจากของที่เราไม่มีนะจิตแปดดวงแรกก็คือจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะนะ จิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านกับจิตโดถูี่มีแปดดวงเราเรียนแปดดวงนี้แหละนะแล้วย่อลงมานะเอาสองดวงก็พอแล้วจิตเตอรไปกับรู้สึกก็คือโมหะเขาไม่มีโมหะเตอร์ก็รู้เตอร์ก็รู้ฝึกแค่นี้พอแล้นะเดี๋ยวมีหนังสือแจกนะของอาจารย์สุรวัตรหลวงพ่อยบอกอาจารย์สุรวัตรว่เตอร์ก็รู้ไปเขียนหนังสือได้เล่มหนึ่ง ก็จะดับไฟปกตินี้หลายครั้งเล้รู้สึกว่าทำให้ตัวเองไม่โกรธง่ายได้ฝึกไปดีแล้วละ่ะความโกรธเป็นของที่ดูง่ายที่สุดนะเพราะความโกรธเป็นของหยาบที่สุดความโลภก็ดูยากขึ้นมาหน่อยความหลงดูยากที่สุดพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษมากเพราะเวลาเกิดแนละ้วมันชอบใช้ความรุนแรงโทสะมีโทษมากแต่ละง่าย ทำไมละ ง, ง่ายลา ง, ง่ายเพราะรู้ได้ง่ายพอเรารู้ทันมั น, ม, นมันก็ดับของมันเองนะราคะมีโทษน้อยแต่ละยากละยากเพราะว่ามันโทษน้อยไม่เห็นโทษไม่เห็นจะอยากละเลยนะโมหนะเนยโมหะมีโทษมากเราละยากเห็นยากโมหะที่ร้ายมากเลยอย่งใจเราหลงเองแต่เราเผลอรู้สึกไหมเราเผลอทั้งวันเดี๋ยวเผลอไปดูเดี๋ยวเผลอไปฟังเดี๋ยวเผ ล, อ ไ, เเลอไปคิด หลวงพ่อถึงมาเน้นที่เผลอนะใครฝึกรู้สึกว่าเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้เนี่ยฝึกได้ทั้งวันเลนยหลวงพ่อเทียนให้ก็เจาะลงมาคิดแล้วก็รู้คิดแล้วก็รู้นะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่นีไปคิดภายในภายนอกเนี่ยภายนอกเนีน่ยหมายถึงของคนอื่นภายในของเราเองนะที่ใกล้ที่ไกลก็อย่างเดียวกันนะแต่บางตำราก็ว่า เป็นเวทนาทางกาย เ, เวทนาทางใจทางใจก็ภายในทางกายก็นอกนอกแล้วแต่สำนวนนะแต่ถ้าในอัถกถาก็บอกข้างนอกหมายถึงของคนอื่นข้างในหมายของเราเองที่ใกล้ที่ไกลถ้าใกล้ก็อยู่ข้างในไกลก็อยู่ข้างนอกในสติปัฏฐานนี่มีคําศัพท์เฉพาะเยอะอย่างคําว่ารู้ชัดคําว่ารู้ชัดไม่ได้แปลว่ารู้ชัดชัด รู้ชัดแปลว่ารู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมีสับเฉพาะนะอย่างเช่นจิตมีการมาฉันทะก็รู้ชัดว่ามีการมาฉันทะหมายถึงรู้ตรงตามความเป็นจริงว่าการมาฉันทะมันก็นามธรรมอันนึงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนนี้เรียกว่ารู้ชัดรู้ชัดไม่ได้แปลว่าไปจ้องไว้แข็งแข็งจ้องไม่ให้คลาดสายตาไม่ได้แปลอย่างนั้นมันเป็นศัพท์เฉพาะในอัธกถาเนี่ยท่านแปลไว้ให้ล้ว ในพระอภิธรรมก็แปลไว้ให้อภิธรรมมันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด น, นะหลายคนเกลียดอภิธรรมอภิธรรมคือคําอธิบายธรรมะนะมีคู่กับอภิวินัยนะคาอธิบายพระวินยัยงั้นคําสอนพระพุทธเจ้าตั้งเดิมคือธรรมวินัยก็มีอภิธรรมมาอธิบายธรรมะมีอภิวินัยมาอธิบายวินยัยนนี้พวกเราบางทีอัตโนมัติมีคําอีกคาอัตโนมัติคือคิดเอาเอง <c oughs> เยอะเลยนะ ธรรมะที่เขียนกันรุ่นหลังๆเนี่ยเต็มไปด้วยอัตโนมัติเนื่องนึกเอาเอง mm hmm. เช่นทํากรรมอันนี้จะไปเกิดเป็นตัวนี้อะไรเง mm hmm. ี้ยนะทีแต่นก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรในคำภีรองรับนึกเอาเองบางอย่างเยอะๆเลยคำภีตําราที่แต่งเองนี่เยอะหรืออย่างไปตีหัวเขาเขาจะต้องมาตีหัวเรานี่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ก็คิดเราเองนะ mm hmm. กฎแห่งกรรมไม่ได้ตื้นอย่างนั้น อย่างกรรมจะให้ผลได้รุนแรงมากน้อยขนาดไหนก็ยังมีเงื่อนไขเรียกว่ามีสมบัติหรือมีวิบัติเนี่ยอย่างคนคนหนึ่งทําบุญมาอย่างดีเลยแต่ไปเกิดคติวิบัติเช่นไปเกิดพลาดตกนรกตอนนั้นก็บรรู้มรรคผลอะไรไม่ได้ขณะนั้นหรือไปเกิดเป็นนาคมาฟังธรรมแล้วไม่บรรลุเรียกคติวิบัติ อันนึงเรียกประโยค่าวิบัตนะเช่นเกิดมายากจนแล้วยังลอยขี้เกียจอีกเนี่ยมันก็ไม่หายจนคือความประพฤติไม่ดีถ้าเกิดมายากจนแล้วก็มีประโยคน์คสมบัตขยันทำมาหากินเนี่ยมันเกิดกรรมใหม่ที่ดีอิทธิพลกรรมเก่าก็หมดไปที่ทำให้ยากจนเกิดกรรมใหม่ที่ดีแม้กฎแห่งกรรมไม่ใช่กฎแห่งการงอมืองอเท้าเลยนะหรืออุปิอุปธิสมบัตอุปธิวิบัต อย่างบางคนฝึกจิตอบรมมาดีฉเฉลียวฉลาดกลาดเปรเืองมากเลยแต่หน้าตาดูไม่ได้ไปสมัครงานเขาต้องการประชาสัมพันธ์สวยๆเขาก็ไม่เลือกคนเก่งจีเนียสอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปธิวิบัติสวยแต่งโง่หรือบางที่ต้องการคนฉลาดเนี่ยเขาก็ไม่เอาคนสวยดังนั้นกฎแห่งกรรมไม่ใช่ ไม่ใช่ตื่นตื่น น, นะลึกที่หลวงพ่อบอกว่ามีไหวใจเกิดในมัฏานนี้เป็นการวนการการเรียนรู้นะคะทีนี้ระบาวันนี้เนี่ยการเรียนรู้เราสั้นลงค <c oughs> ก็เรียนไปเรื่อยๆนะจะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจถึงจะสั้นลง <c oughs> ยกตัวอย่างอย่างเราเคยใจลอยทีละชั่วโมงพอเราใจลอยแล้วเราก็มีสติรู้ทันนพบชาติเราสั้นละแทนที่จะหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะหนึ่งนาที <c oughs> ตายไปชาติหนึ่งละ <c oughs> ถ้าคนไม่เคยฝึกก็คือหลงทั้งวันทั้งวันนี่หลงลูกเดียวเป็นเดลิชานอย่างเดียวเลยฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะเอาซีดีไปฟังฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวก็เข้าใจวิธีเข้าใจธรรมะของหลวงพ่อนะไม่ใช่ไปคิดเอานะฟังซีดีหลวงพ่อเดี๋ยวจะแจกให้ฟังซีดีแล้วก็คอยสังเกตใจเราไปเรื่อยเดี๋ยวใจเราก็สุกเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์เดี๋ยวใจเราสงสัยฟังแล้วสงสัยสงสัยรู้ว่าสงสัย เีฟังแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆถ้าฟังแล้วก็คอยตามรู้ใจตัวเองไปเรื่อยๆไม่นานเลยก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนในความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อไม่สามารถสอนธรรมะพวกเราได้เราพุทธเจ้าท่านยังเป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นท่านถ่ายทอดธรรมะให้เราไม่ได้นะท่านบอกทางให้เราเดินได้หน้าที่เราก็เดินตามทางที่ท่านบอกคือรู้ทุกขละสมุทยัย ทุกคืออะไรท่านก็นิยามไว้ให้แล้วทุกก็คือขันห้านะกายกระใจของเรานี่แหละให้คอยรู้บ่อยๆละความอยากนะคอยตามรู้คอยตามดูกายดูใจไปแล้วกายกระใจนี่แหละคือครูที่จะสอนธรรมะเราได้คนอื่นสอนเราไม่ได้กายกระใจเท่านั้นที่จะเป็นครูสอนธรรมะเราเรามีครูเฉพาะตัวอยู่แล้วคอยรู้กายสิกายจะสอนเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์นะไม่ใช่สุขกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเรา จิตก็เป็นครูสอนว่าไม่เที่ยงนะบังคับไม่ได้นะนี่คือครูที่สอนธรรมะเราเรียนธรรมะไม่ได้เรียนที่วัดนะไม่ได้เรียนกับพระไม่ได้เรียนตอนเข้าคอร์สคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจแล้วกายกับใจถึงจะสอนธรรมะเราได้นะเอาซีดีไปฟังแล้วก็คอยสังเกตกายสังเกตใจตัวเองบ่อยๆศัตรูหมายเลขหนึ่งคือใจลอยเสอวิคิดรู้แต่เรื่องที่คิดลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจ ศัตรูหมายเลขสองคือนั่งเข่งไว้ประคองไว้กำหนดไว้คนะวบคุมเอาไว้กายก็แข็งทื่อใจก็แข็งทื่อนะนีศัตรูมีสองตัวนะอเชิญกลับบ้านไปสรุปแล้ว <c oughs> นะเอาหนะังสือไปข้างหลังนะ <c oughs> ใครยังไม่ได้เชิญไปเอาใครได้แล้วก็ไม่ต้องเอานะานคือยคย <c oughs> อย่างนี้ อย่างความสุขเกิดขึ้นเราก็ดูไปเอาความสุขมันอยู่เดี๋ยวเดียวมันก็หายไปละเอาความทุกข์เกิดขึ้นดูไปยิ่งใจเราเกลียดยิ่งทุกข์ใช่ไหมในใจเราเกลียดลายใจเราไม่ชอบมันไม่เป็นกลางยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าอีกถ้าไม่เป็นกลางไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร้มนหมือนกับมันยังไม่จบใหม่มันก็มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมันก็ซึ้งแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าทอย่างที่หลบมันไปโดยไม่เน่อย่าหลบนะเข้มแข็งไว้นะ ถ้าเราหนีตลอดเราไม่มีทางชนะไม่มันอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราคิดว่าเราสู้ไม่ไหวก็สู้ไม่ไหวหรอกถ้าใจเราไม่ไปหวาดกลัวมันนะก็สู้ไหวจิตของครึ่งอะ่ะมันก็เคยฝึกฝนอบรมมาแล้วอย่าท้อแท้นะ คืออย่างนี้เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เป็นกลางนะพอมันไม่เป็นกลางให้รู้ว่ามันไม่เป็นกลางแค่รู้ว่ามันยังไม่เป็นกลางแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องทาให้เป็นกลางแต่ว่ากำงอยากนนี่ไงอ่าเราก็รู้ว่าเรากำลังอยากอ ย, กอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่จบที่อยากนิ่งมาเรื่อยๆนี่เห็นไหมเราจะปฏิเสธเราอยากให้มาทีละอันอดูเท่าที่ดูได้ ไม่ต้องรู้ได้ทั้งหมดหรอกอันไหนรู้ทันก็รู้ไปไหนไม่ทันก็แล้วไปนะ น, ไไนั่นน่ะไม่ได้อย่างใจคําว่าไม่ได้อย่างใจคือไม่เป็นอย่างใจต้องการคือคําว่าอนัตตานั่นเอง<ม>เห็นไหมการที่เพิ่งดูอยู่เนี่ยเ<ม>พิ่งรู้แล้วเ<ม>พิ่งบังคับมันไม่ได้แต่มันอดอยากบังคับไม่ได้<ม>เพราะงั้นดูไปจนใจนในเนี่ยนะมันเข็ดขยาดมันรู้ว่าโอ้บังคับไม่ได้จริงๆ ถ้ไม่มันยังไม่รู้พอต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆแล้วว่าหนึ่งใจมันถึงจะยอมรับถ้านานๆรู้ทีนะไม่ยอมรับไม่ได้ปล่อยไปเลยนะถ้ามันรีดมันช้ามันต้องปล่อยทีไปเลยบ่อยๆไม่ดีปล่อยไม่ดีนะทำอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันล้าเนี่ยนะบริกรรมไว้พุโทโธธรรมโอสังโฆพุโทโธธรรมโอสังโฆบริกรรมไปเรื่อยๆดีกว่าปล่อยให้สเปรดสะปะ อย่างน้อยบริกรรมไปก็ยังได้บุญต่อยไปเป็นอกุศลนะทำไม่ไหวก็ทำท่องไปพุทโธธโมสังโขพุทโธธโมังโขถ้ามันฟุ้งซ่านก็ท่องเร็วๆถ้าจิตใจสงบ ก, ก็ท่องช้าๆพ็ท่องไปท่องไปใจเรามีความสุขล้วก็รู้ว่ามีความสุขนี่เรากลับมาดูได้ละนะพอไหวไหมอย่างนี้นะยาก็่คะที่จะมคนมาใหม่ กาตามดูจิตเนี่ยหมายความว่าตามดูความรู้สึกของเราตามดูความรู้สึกไปว่าเรามีความรู้สึกอะไรขนนั้นใช่ใช่ตามไปเรื่อยๆื่อยตามไปเรื่อยเือแล้วมันจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหมดไม่เที่ยงความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวคนนเรี่เปลี่ยนตลอดอื้างเมเท่อามันเห็นเองไม่ต้องปรุงนะมันจะเห็นเองว่ามันไม่เที่ยงรั้นจิตก็คือความรู้สึกทั้ เอาอย่างนั้นไปก่อนก็ได้จริงๆไม่ใช่นะจิตคือคนรู้คนที่ไปรู้ความรู้สึกนี่ว่าจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้แต่ว่าในขั้นนี้เราก็บอกว่าความรู้สึกเป็นจิตไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะเป็นชื่อทตาความรู้อเราเราเป็นผู้มองามรู้สึกของ เ, เออใช่แค่นั้นแหละมองมังตรงนี้เรารู้สึกยังไงเออตนเนีย้ยเผลอละรู้สึกไหมลืมมองความรู้สึกลว ให้รู้สึกบ่อยๆไม่ยากหรอกให้พระอะไรอ๋อรู้สึกหลวงปู่เลียนะอ๋อรู้สึกครูเดียวกันเออรู้สึกอาจารย์เดียวกันเคยได้ยินไหมคำว่าจิตผู้รู้อ่ะจิตผู้รู้อ่ะวัดป่ารุ่นหลังๆไม่ค่อยพูดคำว่าจิตผู้รู้ชอบพูดแต่นิมิตใช้ไม่ได้นะ เราเป็นคนดูเราเป็นคนดูเราดูละครเราตัวเราว่ากายกับใจนี่แหละเป็นตัวละครไม่ใช่คิดอะไรรู้สึกอะไรไม่ใช่ดูเรื่องที่คิดนะดูความรู้สึกเราคิดไปแล้วแล้วเราจรงจะมารู้ว่าเช่นเราคิดอะเช่เราคิดถึงลูกเราสมมตินะคิดถึงลูกเราแล้วเราเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขคิดถึงศัตรูเราหมั่นใส้มันรู้ว่าหมั่นใส้ รู้ที่ความรู้สึกไม่ใช่รู้เรื่องที่คิด เ, นะเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ค ว, วความรู้สึ ก, เ, สกอเอเอ<ๆ>แต่อย่าเผลอนะโยมเวลาพูดเป็นเสลอเก่งเต้าพูดน้อยๆ น, นะค <c oughs> รูบาอจารย์จะเน้นมากเลยไม่ครุกคลีต้องครุกคลีแล้วต้องพูดมากพอพูดมากจิตจะฟุ้งงั้วเราไม่คลุกคลีอ่ะโยมต้องระวังนะจุดอ่อนอยู่ตรงนี้แหละ นะอะไรนะจิตมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนะจิตนะมันเกิดดับอยู่เรื่อยๆจริงๆเหตุที่ทําให้จิตเกิดนะรูปก็ทําให้จิตเกิดได้นะอย่างตาไปเห็นมองเห็นเนี่ยมีรูปกตามีสิ่งที่มองเห็นมันก็เกิดการรับรู้ถังตามีประสาทตา่อเกิดการรับรู้ ไม่ดนะีเราไม่ได้ฝึกให้มันดับนะเราฝึกพัฒนาจิตให้มันดีขึ้นไปเกิดอย่านีน้เกิดจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวจำได้ไหมท่านเล่าเรื่อยๆท่านเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าทรงที่ท่านไปภาวนาที่ดอยธรรมเจดีอ่ะท่านรักษาจิตผู้รู้ของใสไว้ทั้งวันเลยสมาท่านเห็นว่าจิตผู้รู้นี่มันมองได้ เราเห็นว่าจิตผู้รู้ยังมองได้นะท่านก็เลยเกิดปัญญาจิตนี้มันมันไม่เที่ยงเนี่ยเจ้ามองแล้วก็ผ่องใสผ่องใสแล้วก็เจ้ามองเพราะรู้ความจริงท่านปล่อยวางปล่อยวางความยึดถือจิตความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเกิดขึ้นตรงที่ปล่อยวางความยึดถือจิตได้ไม่ใช่เกิดที่ดับจิตนะถ้าดับจิตจะไปเป็นกลมลูกฝัก แล้วพอเราปฏิบัติเองมันสบบความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรมากลงกั้นเรามันไม่ไม่ชัดเหมือนมืก่อนนะคะให้รู้ว่ามันไม่ชัดให้รู้ว่ามีอะไรกลางกั้นให้รู้ว่าอยากยากให้มันชัดถ้ารู้ว่าอยากให้มันชัดนั่นมันจะชัดทันทีแล้วความอยากเรานั่นแหละกลางกั้นกิเลนนั่นแหละกั้นอะไรจะมากั้นรู้ลงปัจจุบันไปนะอาจารย์เมเวลาเราดูทีวีเนี่ยที่มีสอนเล แล้วรู้สึกเห็นตัวเองมันเยิ้มหุ่นละเออนั่นแหละรู้ไปเหมือนดูคนอื่นนะมือนกับเรานั่ดูแบบมีเรื่องชบเราจะเออแล้วเราก็ดูก็ื่อเห็ น, นกาอดูใ อ, อ่ใช่ น, นั่นด้วยว่ า, าเปนเพื่อขาด้ใช่มันไปยินเนี่ยเขาใช่ือเวลาเราคิดเนี่ยรู้มีเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเรื่องรอที่ผมมีไป จะคิดอยู่เรื่อยแล้วก็เดห็นมันคิดมันก็คิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะคิดอยู่เนี่ยเห็นว่าห้ามมันไม่ได้ก็คิดของมันไปเรื่อยแล้วเราก็แก้ไม่ได้ไม่ได้สิเขปล่อยดีนะไปไปมันสอนธรรมะเราอย่าไปแก้มทําไมมันก็มันแบบมันยิ่งมันแต่มันไม่ยอมหยุดไม่ได้ฝึกให้หยุดนะมันทั้งวันทั้งคืนเออทั้งวันทั้งคืนรุดนี้แล้วมันก็เอาอีกแล้วเพระเขาได้เจ้าบอกเลยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืน ก็ต้องทั้งวันทั้งคืนสแิแล้วมันก็แบบมันจะมันแบบคล้ายๆมันจะเครียดอะไรอย่างเงี้ยเครียดเาไม่อยากาพยายามอยให้อยู่กนะ็อย่าไปพยายามสิก็รู้ทนันมันว่าพยายาม